ทุาฟังคะในการของเรานะคะสันสนิสนทนาที่ท่างกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ทางสถานีวิทยุ FM106 รค่ะเราก็จะมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดิฉันสันสนิษาคพงศ์ดำเนินรายการส่วนช่วงเวลาหลังจากที่เราปฏิบัติธรรมกันแล้วเป็นช่วงเวลาที่ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพ ร, พระอาจารย์ไพบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวั ด, ดอุดรธานีค่ะ นมัส ก, การา<ด>คะะ่ะทานค่ะไปฟังธรรมงานศพม า, าท่านคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นแบบนี้หรือว่าดิฉันไม่ค่อยสังเกตก็ไม่ทราบ <ừ> คือปกติเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะตั้งพระพุทธรูปเนี่ยโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยนะคะเอาไว้ทางด้านขวาขอ ง, ของพระสงค์ใช่ <ừ> แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเห็นตั้งอยู่ทางด้านซ้าย แล้วถ้าลำพังตัวเองคงจะไม่ถามบางเอิญมีเพื่อนนะคะเขาก็มาถามบอกว่าเอ๊ะตั้งงี้ได้เหรออเดิฉันก็เลยมีคําถามอื่นตามมาอีกเลยแต่ว่าถามคําถามแรกก่อนค่ะอืได้ไหมคะได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าพระเจ้าก็ไม่ได้กําหนดว่าต้องตั้งตรงไหนสมัยก่อนไม่มีพระพุทธรูปด้วยซ้ำก็คือเอาความสะดวกพระเจ้าบอกว่าเธอจะทํำยังไงจะพิจารณาไงว่าทําสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีก็ทําแล้วเป็นกุศลแม้ลาจิตนะถ้าจิตเป็นกุศลทําได้ ไม่ใช่จิตของเราคนเดียวจิตของหมู่คณะเป็นยังไงก็เป็นกุศลไหม เ, เรื่องการตั้งพระพุทธรูปซ้ายขวาเนี่ยแต่ละที่ก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันใช่ไหมแม้แต่วัดเดียวกันคนล้างงานยังปฏิบัติไม่เหมือนกันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อาศัยความสะดวกใช่ไหมอย่างอย่างในวัดบบร์เนี่ยตอนที่อาจจะมาไปรับกรถิ่นกรถินหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาพระราชทานกรถินเนี่ยก็เราพระภิกษุอยู่ด้านซ้ายของพระพุทธรูปแต่งานอื่นอยู่ด้านขวา มันแลกแต่งานเพราะว่าคนจํานวนมากน้อยไม่เท่ากันค่ะรอย่าไปติดใจตรงนั้นไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้มีอะไรผิดเลยมาด้วยศรัทธาที่ถูกต้องกันแล้วกันใช่ๆ่ค่ะคำถามต่อไปนะคะเดี๋ยวนะคะเมื่อฟังธรรมควรปฏิบัติตนอย่างไรคะเรื่องนี้เนี่ยนะมีมีสองหยู่สองในยะในยะแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่า จะฟังทําอย่างไรให้รู้เรื่องคนที่จะฟังทําให้รู้เรื่องเนี่ยคือให้สาเร็จประโยชน์เนี่ยก้าวลงนี้ก้าวลงสู่นิยามของการฟังทําได้เนี่ยก็คือว่าอย่าสนใจแต่คำพูดอย่าสนใจแต่ผู้พูดอย่าสนใจแต่ตัวเองอย่าอย่าเป็นคนง้อเงาเงงะอย่ามวมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้อย่าเป็นคนลบรู้ฟังธรรมแล้วก็อย่าคอยจ้องจับผิด ความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตใจที่มุ่งร้ายแข่งกระดาง <Okay. S 1> แล้วก็ให้จิตมีความเป็นหนึ่งในการฟังธรรมคือให้เขาสมาธิไปด้วย <Okay. S 1> นะอันนี้คือจะทําฟังธรรมแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําให้ฟังรู้เรื่องที น, นี้พระพุทธเจ้าก็มาถามพระบอกว่าเนี่ยนะถ้านี่คือในยะที่สองถามว่าถ้ามีคนอื่นมาถามเธอว่าฟังธรรมไปทำไม <Okay. S 1> ให้เธอตอบอย่างนี้พพุทธเจ้าบอกว่าประโยชน์ที่มุ่งหมายแห่งการฟังธรรมมีอยู่ คือการฟังธรรมเนี่ยเราจะต้องสามารถแบ่งเป็นสองฝ่ายได้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลคคือฟังธรรมแล้วเนี่ยเธอจะต้องรู้ว่ า, อ, าอ๋อข้อธรรมตรงนี้เป็นเหตุของผลอย่างนี้อพอเธอทำอย่างนี้แล้วได้เนี่ยพรุทธเจ้าก็บอกว่าจะสามารถพิจรนนะิรณาในการที่จะบรรลุมรรคผลได้ ค, คือให้ฟังแล้วมีเหตุผลนะแล้วก็อย่าไปสนใจ แต่คําพูดผู้พูดอย่าสนใจตัวเองอย่าโงเงะเงะอย่าลบหลู่ผู้แสดงธรรมใช่ไหมคะอย่ามีจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมอย่าคอยจ้องความจับผิดพลาดาจับความผิดพลาดอาคอยจ้องจับความผิดพลาดของผู้แสดงบางทีคน<ม>เราถ้าสมมุติว่าปกติทั่วไปธรรมดาเนี่ยคงไม่ค่อย รู้สึกอะไรมากแต่บางคนบางทีรู้ครึ่ๆงๆงกลางๆนี่มันก็เสียหายเหมือนกันนะคะว่าเราก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะไม่เห็นแสดงธรรมเหมือนกับ<ล>ที่เราเคยรู้มาเลยอ ะ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแก้ไขได้ยังไงคือข้อสุดท้า ย, ยางไงให้มีจิตเป็นหนึ่งให้จิตเป็นสมาธิฟังธรรมพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยถึงเขาจะเทศตรงหรือเทศไม่ตรงเทศฟังเข้าหูหรือไม่เข้าหูจิตเราเป็นสมาธิมานไม่ได้ช่องมาเนี่ยจะไม่ได้ช่องทางหูของเราเพราะเราจิตเราเป็นสมาธิอยู่ พนั้นถ้ามารได้ช่องปุ๊บเราจะคิดอากุศลต่อผู้แสดงทันทีอันนี้ไม่ควรพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการฟังธรรมต้องฟังด้วยอาการอันเคารพอย่างไรหรือไม่ค ะ, ะสําหรับผู้ฟังเนี่ยใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ฟังถือร่มนะไม่แสดงสวมรองเท้าเราไม่แสดง ค, คือให้พระภิกษุเนี่ยอย่าแสดงธรรมกับผู้ถือร่มในมือผู้มีอาวุธในมือผู้ถือไม้พลองในมือเป็นต้นนะ หือว่าผู้สวมเขียงเท้าคือรองเท้านี่แหละ น, นี่คือยกตัวอย่างเฉยๆแปลว่าต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้เออยอะ<า>เลยไงคะใช่สมมติถ้านั่งไปในยานไปในทางเดียวกันแล้วเราอยู่ข้างหลังก็อยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ควรจะูกล่าวทําำ<อ>ลักษณะนี้นี่ข้อ น, นี้เป็นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเสกียวัตรคือข้อปฏิบัติอันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของคนคนที่สุภาพอย่างนี้อ๋ออันนี้เป็นเรื่องไม่ใช่ผิด มิดวิ น, นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทําเป็นมารยาทของสังคมไม่เงินเตอรก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์นี้ได้ตรัสว่าพระภิกษุต้องต้องระวังในเรื่องมารยาทพวกนี้ในการแสดงธรรมใช่แต่ไม่ได้บอกผู้ฟังผู้ฟังเพียงแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยท่านก็ต้องคิดเอาเองใช่ไหมคะว่าถ <c oughs> ้านกาลังฟังสิ่งที่เป็นธรรมอันสูงสุดเรื่องนี้มีใ น, นมีในมีในอ่ า, พ, อาพระไตรปิฎกเป็นพุทธวจนะว่า ไม่ได้เป็นพุทธปรนาะแต่เป็นบันทึกของสาวกเขาบอกว่ามีพระองค์หนึ่งมีมีอุบาสิกาท่านหนึ่งเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระองค์นี้มากก็นิมนต์ท่านไปเททิบาลพอเททิบาลปุ๊บก็อยากฟังธรรมพอฌานเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยอุบาสิกาคนนี้นั่งในที่สูงกว่าแล้วก็ขอนิมนต์ให้พระภิกษุองค์เนี่ยแสดงธรรมพระภิกษุพอรับประทานอ่านเสร็จแล้ว อ, อนุโมทนานแล้วก็บอกว่าน้องหญิงโอกาสอื่นยังมีอีกแล้วก็ลุกเดินจากที่นั่งไปพอสังเกตเห็นว่าเขา นั่งสูงกว่าตัวเราก็ไม่แสดงธรรมแต่ไม่ได้บอกนะให้เขาลงจากอาสนะสูงเพราะวันต่อมาอุปสิกขาท่านนี้ก็สงสัยเอา้าทําไมนิมนต์แสดงธรรมไม่แสดงธรรมก็เลยไปถามเพื่อนว่าเนี่ยอธิบายอาการที่ตัวเองนิมนต์พระมากินข้าวแล้วนั่งอาสนะสูงกว่าต่างๆเพื่อนก็บอกว่าว่าไม่ได้เธอต้องนั่งอาสนะต่ากว่าอาพรุ่งนี้ไปนิมนต์อีกแล้วตัวเองก็นั่งอาสนะต่ํากว่าพระที่สุดรูปนั้นก็แสดงธรรมเห็นไหมว่าพระเนี่ยพอไปเข้าสู่บ้านเนี่ย จะกล่าวอะไรที่ทําให้เจ้าของบ้านเกิดความอากุศลเนี่ยก็ต้องคิดต้องระวังเป็นผู้มีเสียงน้อยไปในระแบก บ, บ้านอย่างนี้ในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่าไปแสดงธรรมแข่งกับขณะที่พระคุณเจ้าแสดงธรรมเพราะนี้จะเกิดขึ้นบ่อยนะค ะ, ะคือบางทีถ้าเป็นงานศพอย่างเงี้ยยิ่งบ่อยมากเพราะว่า เหมือนงานศพเป็นงานที่จําเป็นจะต้องมามเพราะมันไม่มีอีกแล้ว<ม>นะคะพอมาปุ๊บไม่ค่อยได้เจอกัน <laughs> ก็มาทักทายกันสําหรับคนที่มาร่วมงานญ <laughs> าติพี่น้องบ้าง <laughs> เพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้าง <laughs> <ม>ก็เลยกลายเป็นว่าพระนิสวรรเป็นเสียงประกอบพู <laughs> <ม>่น <laughs> ี้ก็คุยกันไป <laughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเคารพในธรรมท่านอาจารย์ท่านนี้ท่านบอกว่าในข้อสุดท้ายเนี่ย ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าฟังทำอย่างไรให้รู้เรื่องคือให้มีสมาธิเนี่ยนะคะให้มีชีพเป็นหนึ่งทีนี้คนก็จะเข้าใจว่าการมีสมาธิเนี่ยคือการอยู่กับลมหายใจบ้างถ้าฟังรายการเรานี่ก็ต้องหนักไปทางอยู่กับลมหายใจเลยบางครั้งก็เลยสับสนว่าเอ๊ะก็อยู่กับลมหายใจไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยอืบางทีมันก็สับสนอใจมันก็จะจับอยู่กับลมหายใจแต่หูกันฟังประสูตรอยู่จะทําอย่างไรดี ค, คือเรื่องของการทําสมาธิเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ลมหายใจครับครูบาอาจารย์บางท่านก็จะบอกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนกับเบ็ดที่จะไปตกปลาสิ่งที่เราต้องการคือปลาไม่ได้เบ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เหยื่อเบ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้จิตเป็นสมาธิจะลมหายใจก็ได้จะพิจารณากายก็ได้จะทําวิธีอื่นก็ได้อ ย, อย่างนี้ค่ะคือถ้าบอกว่าจิตมีดวงเดียวนะคะจิตทุกไหมคะจิต เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าจิตในขณะในขณะจิตหนึ่งมันจะอยู่กับอะไรอย่างเดียวถูกไหมคะสมมติว่าอยู่กับลมหายใจไม่ไม่ทราบว่าจะใช้ถ้อยคาอะไรให้เหมาะสมดีที่สุดพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนค่ะแล้วเหมือนกับว่าจิตเนี่ยจะเกาะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่จิตผู้รู้จะรับรู้อย่างเดียวอย่างนั้ น, นป่าคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าถ้าหากจะให้ฟังธรรม แบบมีสมาธิก็หมายความว่าจิตเนี่ยจะต้องอยู่กับกับการฟังเสียง อ, อย่างนั้นที่ก็ ต, ต้องดูว่าคุณผู้ฟังหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่เอาทําสมาธิอยู่ตอนนี้เลยทุกคนทําสมาธิเลยคนฟังอยู่มีสติอยู่ในลมหายใจถามว่าได้ยินเสียงนี้ไหมก็ได้ยินอยู่เพราะว่าในขณะที่เรามีสมาธิอยู่เนี่ยเราไม่ได้ฟังด้วยหูแต่เราฟังด้วยจิตนี่รู้ไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่มีจิตเป็นหนึ่งในการฟังธรรมเนี่ยจะสามารถสําเร็จประโยชน์ คือก้าวลงสูนุนียาแห่งการฟังได้ทีนี้อาจมาจะเปรียบเทียบเหมือนกับแผงฝ่ายโฆษณาอย่างเงี้ยที่มันมี LED ด, ว, ดวงเล็กๆๆๆไปไปหมดเลยแต่เวลาตัวอักษรมันวิ่งเนี่ยมันสมูทเคลื่อนไปเป็นอันเดียวกันหมดทีนี้จิตเราก็เหมือนการดวงนึงเกิดขึ้นดวงนึงดับไปบ๊อบบ๊อ บ, บ, บ, บแต่เพราะว่าเรายังไม่หลุดพ้นจากอํานาจของอวิชาแต่ให้เราเห็นมันเหมือนกับเป็นคลื่นลูกเดียวกันไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือว่า ทำยังไงถึงจะหลุดจากอำนาจของอวิชานี้ได้ให้มีวิชาเกิดเพราะนั้นคือจิตเราต้องเป็นสมาธิค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอการสนทนาธรรมในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดกับท่านอาจารย์ภัยบูลอภิปุลโนนะคะจากวัดป่าดอนหายโซเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผุทวจ น, นะคะ่ะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะนมัส ก, การค่ะท่านอาจารท่านฟังที่รครัวรายการสันสนีสนทนาดำเนินรายการโดยดิฉันสันสนีนากพงศ์นะคะที่ท่านฟังกําลังฟังอยู่ในขณะนี้ ติดต่อกับทางรายการของเราได้หลายช่องทางค่ะช่องทางหนึ่งก็คือที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะคะ FM ร0 6วิทยุครอบครัวข่าวหมายเลขโทรศัพท์02 269 00 0สนะคะซึ่งหมายเลขเดียวกันนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเขียนมาขอนังสื อ, อขอโทษค่ะโทรศัพท์มาขอนังสือที่เรากาลังแจกก็คือนังสือพุทธวจนะฉบับอาณาปานสติโดยพระตถาคตนะคะ หรือว่าจะ SMS ส่งคำแนะนำของท่านมาที่4838106และส่งไปที่ w w w p d w e d e w e b p u r e d h a m m a c o m 1 0 6